ไม่ให้ทรงสายออกไปข้างนอกเพราะมันเคยอย่างนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วมันจึงพ้ทุกไปไม่ได้เพราะมันไปเกาะไปคล้องอยู่กับวัตถุต่างๆในโลกอันนี้ทั้งที่มีวิญ ญ, ญาณก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดี สิ่งไม่มีวิญญาณคลองได้แก่เงินทองเข้าของต่างๆสิ่งที่มีวิญญาณคลองได้แก่คนสัตว์ที่จิตใจมันไปเกาะไปคลองอยู่นี่ดังนั้นการภาวนาจึงเที่ว่าเป็นการฝึกจิต ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ส่งกระแสออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไม่ให้จิตมันคล้องอยู่ในโลกอันนี้นั้นให้พากันสารวมจิตใจเข้าไปภายในให้นึกเสียว่าแต่ละคนนะ่ะเรามัน มีจิตใจผูกพันอยู่กับโลกสงสารอันนี้มานานนักชาติไม่ทนแล้วแต่ล่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังพ้นทุกไปไม่ได้มันก็ยังต้องมาสบุญทุกขอยู่อย่างนี้แหละทุกทางกายก็ได้แก่ร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยง ต้องประครบปรงหมต้องบำรุงรักษามันโดยปัจจัยสีคืออาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอัตภาพร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่นี้ ถ้าขาดปัจจัยสีนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้การแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่วิ่งของง่ายนั่นแหละเมื่อมีร่างกายอันนี้มาแล้วมันก็มีทุกข์ติดตามมาพร้อมดังกล่าวมานั่นเนี่เอาทุกข์ใจ อันใจนี่ก็แต่นตัยตะไรมาเ่ยเ็าก็ผูกพันอยู่กับราคะโทสะโมหะมานะทิทิความถือเขาถือเราถือตัวถื อ, ต, ถอ ต, ตนหมดนี่นะมันผูกพันกันมานับชาติไม่ทวนแล้วเหมือนกันในจิตอันนี้เรียว่าจิตไปผูกพันกับเหตุแห่งทุกข์ผูกพันกับร่างกายอันนี้ว่าเป็น ตัวตนของเราแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นความหลงของจิตต่างหากพระพุทธเจ้าจึางสอนให้กลับจิตใหม่วันนี่นะแต่ก่อนเมื่อยังไม่ได้พบพุทธศาสนาก็ย่อมมีความเห็นว่าการ ปล่อยจิตให้คิดไปในความรักความใคร่ความรื่นเริงบันเทิงต่างในโลกนี้ถือว่าเป็นความทุกข์ตรงกันข้าม嘛นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเราเป็นความทุกข์การปล่อยจิตให้คิดไปในความสุขสนุกสนานในโลกอันนี้นะไม่มี อะไรเป็นที่จะต่อให้เห็นว่ามีความสุขได้เพราะว่าสิ่งที่ตอนคิดไปปรุงแต่งไปนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงคิดไปแสวงหาไปไดมาแล้วก็มาบริโภคใช้ถอยไป กระชำลุดสุดโทมไปมเช่นผ้านุง่งผ้าห่มเมื่อห่มไปห่มม า, าก็ชำลุดสุดโทมไปหาชุดใหม่มาอาหารการบริโภครับทานเข้าไปแล้วก็ไฟถาดย่อยจะถ่ายเทออกไป นอนหลับไปตื่นขึ้นมาสบายดีพอถึงเวลานอนก็ตอนนอนอีกถ้าไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์หิวโหยอะไรมือนี่นะใครควรดูพิจารณาดูเนี่ยร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่แสนยากแสนลำบากก็เพราะมันไม่เที่ยงต้องได้อุปถมัมบำรุงอยู่อย่างนั้นจิงพอประทังอยู่ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปกำนัดยินดีเพลิดเพลินมันเกินขอบเขตถ้าเป็นนักบวชแล้วมันต้องสังวรให้ระวังให้เด็ดขาดลงไปเลยคือว่าความกำนัดยินดีแล้วน้อยหนึ่งก็มีพิษเหมือนอย่างงูพิษนะตัวเล็กๆสามารถกัดคนให้เจ็บปวดรวดเราว จนให้เสียองค์ะนุ่นก็มีบางคนก็ตายได้รับทุกทนทรมานก่อนจะตายอันราคะตัณหานี่มันก็เหมือนกันเนี่ยบุคคลใดยึดถือเอาไว้ในใจแล้วก็มันก็ก่อทุกข์ให้นาน า, น า, นานประการคนผู้ที่ครองเรือนทั้งหลายคนนั้น เพราะตกเป็นาทาตแห่งราคะตัณหาไปสมสู่อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันมาแล้วก็มีลูกมีเต้ามาเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนบางคนหาเงินหาทองไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กระท่อมแสนยากแสนลําบากไปอย่างนั้นเนี่ย มืออดมืออิ่มไปอยู่นั่นแหละอาหารการบริโภคก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็ไม่ค่อยจะได้นุ่งหม่มอันดีเท่าไรไม่มีเงินจะซื้อก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละนี่สำหรับผู้ครองเรือนจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะตัณหาแล้ววันนี้มันก็ ไม่ใช่แตเพราะกำนดยินดีในผัวและเมียเท่านั้นบ้านี้มันยังยินดีรามปามออกไปถึงเงินทองเข้าของอนูน่นเพราะว่าเงินทองเข้าของมันเป็นเครื่องใช้สอยบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ไว้ถ้าไม่มีเข้าของเงินทองเหล่านั้น การบริโภคการมคุณก็หาความสุขไม่ได้แด้่จึงเดินลนสแสวงหากันเอานอดล้มลอดตายบางคนก็ยังไม่จุใจเท่านั้นได้เมียหนึ่งพอาจากได้เมียสองได้ผัวหนึ่งพอาจากได้ผัวสองลามปามออกไปอ่ามันไม่อิ่มในความรักความใคร่ เหมือนอย่างไฟไม่อิ่มเชื้อเอาเชื้อไปใส่เท่าไรมันก็ไม่ไปอย่างนั้นเลยอันนี้ฉันใดบุคคลก็ไม่อิ่มในกามในความรักความใครจนเป็นเหตุให้ได้ทำบาปนาน า, นาประการเพราะฉะนั้นเนะี่ยผู้เป็นครืหัสครองเรือนก็ไม่ควรที่จะไปหมกมุ่น ในความรักความใคร่อันนั้นให้เกินขอบเขตควรพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้บ้างเพื่อจะได้ยับยั้งความรักความใคร่อันนั้นลงจะไม่ได้ไปประพฤติผิดมิตรฉาจานกรรมไปทำชู้จากกันและกันในระหว่างสามีกับภรรยาถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ยิ่ง สำรวมระวังในเรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ห้ามวิถกวิจารไปในความรักความใครนันตนเองนั่นแหละห้ามตนเองจะไปให้คนอื่นห้ามไม่ได้ดอกจิตใครใจมันต่างคนต่างต้องรักตัวเอง เมื่อรักตัวเองแล้วอย่าปล่อยจิตให้คิดไปในความรักความใคร่เพราะความรักนี่มันมีพิษ mm. มันทำให้มนุษย์เรานั้นตกทุกข์ได้ยากลำบากมาในสงสารอันนี้มันนับสาอา์ไปชวนแต่ละคนนะแต่มันไม่รู้ตัวกันหรอก เพราะว่าอาวิชชาตันหาหมันครอบงําเกิดมาในชาตินี้แล้วเลยคล้ายๆกันกับว่าตนไม่ได้เกิดมาลหลายแต่ชาติก่อนนู้นนะนึกว่าเพิ่งมีชาติเดียวเท่านี้แหละหรุ่เพลินเราเมากลัวจะไม่ได้เพลินไปในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ต่างๆเพลินลรเมาไปอย่างนั้นนะ แค่ที่จริงแล้วตนได้เกิดมาในโลกสันิวาตอันนี้แล้วได้มาเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณนี่มันนับชาตไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาแต่ตนร ะ, ระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยออันพระพุทธเจ้าพระองค์ระลึกชาติหนหลังได้พระองค์ก็จึงนํามาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง บอกว่าพระองค์ได้ระ ล, ลึกคืนหลังไปนั่นขนานานับชาติไม่ทวนเลยที่ท่องที่เกิดตายมาในสงสารอันนี้ทีนี้ไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะพุทธเจ้าพระองค์เดียวอะไรแบบนี้นะผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาเหมือนกันเลยเพราะอะไรเราจึงเป็นอย่างนั้นเกี่ยวกับยัง ละอาสวะกิเลสตัณหาในหัวใจนี้ไม่ได้นั่นแหละมันจึงต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ถ้าผูใ้ใดละราคะโทสะโมหะนี้ให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตได้แล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ให้เล่ยลอนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่างๆนั้นไม่มี ยุติการเกิดลงไปนั่นนะเมื่อไม่มีเกิดอีกก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีทุกข์เพราะการแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเรียงอัจภาพร่างกายอันนี้นี่ลองคิดดูให้ดีต้องคิดให้มันลึกซึ้ง อย่าไปคิดแายเพียงแค่ผิวเผินไปคิดเห็นแต่ความสุขสนุกสนานทั่วคราวในโลกนี้เท่านั้นน่ะมันจะไม่สามารถที่จะนำตนให้พ้นจากทุกไปได้เลยก็มีแต่ติดอยู่ในทุกนี่อย่างเดียวก็วคนเราถ้าหาว่าคิดเพลิดเพลินไปในกรรมคุณ หามรุ่งหามค่ำแล้วมันก็จะไม่ได้บ่ายหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาเลยลืมเนื้อลืมตัวไปตนเองทุกวันนี้เป็นอยู่อย่างไรไม่รู้ตัวบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้เพลินแล้วพอฟันว่านั่งฝันนอนฝันยืนฝันเดินฝันไปความคิดความนึก ไม่ได้รู้ตัวเลยทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ได้เลยมีแต่ส่งออกไปภายนอกเลยไปอยู่งั้นคนผู้หลงผู้เมานะถึงว่าจะทวนกระแสจิตเข้ามาภายในก็มาชั่วขณะเดียวก็ไปแล้วไม่ยับยั้งใจอยู่ได้นานเลยอันนี้เป็นความจริงแท้ คนผู้ไม่ได้ฝึกสมาธิภาวนาย่มเป็นอยู่อย่างนั้นจิตใจนะเนี่ยพูดถึงความทุกข์ของดวงจิตอันนี้นะทุกข์เพราะปล่อยให้กิเลสตัณหามันครอบงำย่ายีเอาอ่ามันถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวช ถ้าปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงามจิตใจแล้วมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเน่ยเดือดร้อนกันดังนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าข้อปฏิบัติคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเหมาะสมแก่แต่นักบวชไม่เหมาะสมต่อคราหัสเพราะคราหัสนี่ ยังมีความยินดีอยู่ในการมคุณอยู่อันสำหรับผู้ออกบวชนี่เข้าใจว่าเขาเห็นโทษแห่งกรรมคุณแล้วจึงออกบวช ด, ดังนั้นข้อปฏิบัติเกี่ยวแก่การเจริญธรรมะวิปัสสนานี้ก็จึงเหมาะสมแต่แก่นักบวชเท่านั้นไม่เหมาะสมแก่คฤรืหัดอันผู้ใดเข้าใจอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าเข้าใจผิดถนัดเลยทีเดียวเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าอันความทุกข์นี่มันไม่เลือกกว่านักบวชไม่เลือกไม่เลือกครือหัดเมื่อผู้ใดสะสมเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยอันคนที่ขาดปัญญาแล้ว เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ยอมปล่อยยอมให้ทุกข์นั้นครอบงำย่ำยีดวงจิตอยู่อย่างนั้นแหละ ย, ยอมทุกข์ทิ้งทุกอย่างไปเลยอกิเลสตัณหามันจะครอบงำย่ำยีจิตใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันครอบงำอยู่นั้นแล้วแล้วก็สร้างกิเลสขึ้นมาในหัวใจเรื่อยมาหยุดไม่ยัง้ง ก็ปล่อยตอนเองให้คิดให้สร้างกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นในใจอยู่อย่างนั้นอันบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้ไม่มีปัญญาแล้วมีแต่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์แก่ตนของตนร่ำไปอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะไม่ควรที่จะ ปล่อยตนยอมตนให้กิเลสตัณหามันครอบงำจิตอยู่อย่างนั้นไม่ควรที่จะปล่อยจิตของตนให้คิดปรุงแต่งสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนอยู่อย่างนั้นถ้าผู้ใดยังชอบปรุงแต่งกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจอยู่นั้นผู้นั้นไม่ใช่บริษัทของพระพุทธเจ้า ไม่ควรที่จะมาประกาศตนว่าตนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่สมควรเลยเพราะไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรอ่ะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้นเน่ยมันก็ต้องเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทิเกี่ยวกับชีวิตทีวาอันนี้นะ พระพุทธเจ้าตรัสด้วยว่าอันจิตใจนี่มันเป็นทุกข์เพราะตนเองสร้างกิเลสขึ้นมาเผาตัวเองอย่างนี้นะก็ต้องเห็นตามเลยมไม่เห็นตามตนก็ต้องสร้างเหตุแห่งทุกข์ทับผมตัวเองอยู่เนี่ยไม่รู้จกจบจากทิ้นเลยมีแต่ยอมตนลงอ่ะทำยังไงได้ เมื่อนตอนมันหลีกมันไม่พ้นแล้วมันก็จำเป็นอยู่เองแหละทำยังไงได้มีแต่ยอมตอนลงไปเป็นท่าของกิเลสตัณหายอยู่อย่างนั้นไม่ฮึดสู้มันสักหน่อยเดียวอะไรอย่างนี้นะจะมาเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรผู้ที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าจริง ก็ยอมทําตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้ภาคเพียรพยายามเมื่อรู้ว่ากิเลสมันครอบงำจิตใจของตนโย่เช่นนี้แล้วก็จะไม่ยอมให้กิเลสมันครอบงำจิตนี้ตลอดไปจะต้องพยายามสู้กับมันขจัดมันออกไปแต่ความจรงิงนะไม่จำเป็นต้องไปสู้กับกิเลสหรอกสู้กับตัวเองเนี่ หวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันหนึ่งมาห้ามจิตนี่ไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้สร้างกิเลสตัณหาขึ้นในใจนี่แหละกิเลสตัณหามันถึงจะยุติลงได้อันส่วนใดที่มันได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เลีเ้ยวไปสักอย่าไปหวนนึกถึงมันอีกต่อไปอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอีก ใมันแล้วไปเลยให้ถือว่าแต่ก่อนนี้ไม่รู้ไม่ได้ควบคุมจิตจึงได้สร้างกิเลสตัณหาเผาตัวเองอย่างนั้นวันนี้รู้ตัวแล้วเราจะไม่ยอมสร้างกิเลสตัณหามาเผาตัวเองแล้ววันนี้อืจะพยายามเอาชนะตัวเองให้ได้ เมื่อเอาชนะตัวเองได้ก็เท่ากับว่าเอาชนะกิเลสได้นั่นเองนะเพราะว่ากิเลสก็จิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไปแล้วกิเลสมันจะมาปรุงแต่งจิตใจเองเลยไม่ใช่กิเลสไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปรุงแต่งจิตได้ในเมื่อจิตไม่พอใจกับกิเลสให้คิดเห็นอย่างนั้นก็นแล้วกันนะ ตนพอใจกับกิเลสตั้งหากนี้มันถึงได้สร้างกิเลสขึ้นมาเช่นตนพอใจกับความรักอย่างนี้นะมันก็ถึงได้สร้างความรักขึ้นในใจตนพอใจกับความชังความโกรธอย่างนี้มันก็จึงสร้างความโกรธความเสียดชังให้เกิดมีขึ้นตนพอใจกับความหลง เมื่อได้เพลินได้เมาเท่าไรดีอกดีใจรำที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นน่น่เสภาที่ไหนไปที่นั้นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั้นเถิดเทิงนี่ก็กลองแล้วไม่ว่ายุคใดสมัยใดอะมนุษย์ผู้บริโภคกามคุณเนี่ย มันมีเหมือนเหมือนกันเลยเครื่องเครื่องยัวทำให้หลงให้เมานี่น่ะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดบำนำเดินชีวิตของตอนไปอย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนหลงคนเมาหลงโลกหลงสงสารอันนี้เอาซะจริงจังเลยทีเดียวเนือ้อกวาเป็นเรื่องสุขสนุกส น, กสนาน มากอืมนี่เงินทองมีเท่าไรก็เอาไปใช้ใจ่ายแสวงหาความสุขสนุกสนานทั่วคราวอยู่ร่าไปอย่างนั้นทาให้ครอบตัวตัวเรือนเดืดเอดร้อนมากเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ถ้าหากว่าไปหมกมุ่น หรืออไปหลงไปเมา อ, อย่างชาวบ้านเขานั่นอ่ะมันก็ยิ่งร้ายใหญ่เลยเนีย่นักบวชนี่นะเพราะเป็นอุดมเพศนี้เป็นเพศอันอุดมเรียกว่าเป็นเพศที่ไม่มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอันอยากทารามกต่างๆเพราะว่าได้ถอนตนออกจากกามคุณมาแล้วในทางร่างกายนะ ยังแต่ทางใจนั่นแหละให้เข้าใจแบบ น, นี้เมื่อทางร่างกายได้ถอนออกมาแล้วกัเดียวว่ามันกำจัดความเมาขั้นต้นนั่นได้มาขั้นหนึ่งแล้วแบบ น, นี้ก็มาทวนกระแ ส, จ, สจิตสอนจิตมาให้หลงไม่ให้เมาเหมือนเมื่อยังไม่บวชนั่นแะนั่นเอะ สอนจิตนี้ให้มันสงบอยู่ภายในให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในอยา่าพยายามปล่อยจิตให้ส่งออกไปข้างนอกนี่แหละสําคัญนะให้ทักันเข้าใจสําคัญแท้ๆการทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายใน มาควบคุมจิตไม่ให้มันคิดแส่สายไปภายนอกนี่นะสําคัญนะให้ใส่ใจกันให้มากๆถ้าผู้ใดไม่ใส่ใจในการควบคุมจิตทวนกระแส จ, จิตของตนเองอย่างว่านี่ผู้นั้นจะภาวนานั่งภาวนาทําความเพียรมากมายเท่าไรจิตก็สงบลงไม่ได้เลยไม่มีทางนะให้เข้าใจกัน เมื่อจิตไม่สงบแล้วมันก็ทำความดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะไปทำความดีอย่างสูงขึ้นไปไม่ได้เลยเช่นจะไปละราคโทสะโมหะมานตะิ ท, ทีอะไรโมนี้ไม่ได้แล้วหรือจะไปละบาปอากุศลก็ไม่ได้บุคคลผู้มีใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วนี่แหละคนที่ยอมทำบาป อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะว่าระงับความคิดอันประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงนั้นไม่ได้นั่นเองแหละมันถึงได้ทำบาปมันจึงได้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกลามกล่าวโมสามวาดดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรต่างหมู่นี้นะมันจึงได้ หลงทาความชั่วไปอยู่อย่างนั้นนะก็เพราะไม่ภาาเพียงให้ยามระ ง, งับความคิดที่มันส่งไปในอดีตอนาคตนี่แหละความคิดที่เป็นบุญก็มีบางคราวนะความคิดที่เป็นบาปก็มีอย่างนี้นะไม่รู้จักเลือกคัดจัดสรรความคิดของตัวเองนะเนาตัณหามัน โดนใจให้คิดไปทางบาปก็คิดไปบางคราวตัณหามันโดนใจให้คิดไปทางบุญกุศลก็คิดไปตกลงว่าจิตแบบนี้นยะเป็นเป็นจิตที่ไม่มีอิสระในตัวเอากิเลสว่าสุดแล้วแต่กิเลสมันชวนคิดไปทางไหนก็คิดไปปรุงไปเมื่อมันปรุงมากๆก็แล้วเนี่ยมันก็ใช้กายทำเลย ใช้วาจาพูดไปตามที่กิเลสมันต้องการนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นการมาควบคุมจิตจเจริญพระกรรมาฐานเป็นอารมณ์ทำใจให้สงบระ ง, งับลงไปนี่นะจึงชื่อว่าเป็นกิ จ, จวัตรที่พุทธบริษัทจะพึ่งกระทำโดยแท้ก็ในฐานะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า แล้วทุกคนก็มีทุกครอบงากายครอบงาจิตใจตัวเองอยู่อย่างนี้นะแล้วหนาจะไปปล่อยปละล่าเลินเลยตัวเองถ้าไปปล่อยตัวเองไปตามหน้าของกิเลสตัณหาอย่างนั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนเท่านั้นเองเนะพูดสั้นๆลงไปผู้ใดรักตนและอย่าปล่อยตนไปตามหน้าของกิเลสตัณหาให้มันทวนกระแสจิตเข้ามาภายใน เอามาควบคุมจิตนี้ให้เพ่งเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่อย่างนี้มันจึงจะไม่หลงไม่เมาว่านี้นะถ้าเป็นคเรหัดผู้ครองเรือนก็จะไม่ได้ไปเล่นชู้จากเมีย ไม่ไปเล่นชู้จากหัวแล้วจะไม่ไปโรคเอาสิ่งเอาของไปหลอกไปลวงไปช่อบไปโกงเอาสมบัติปืนเอาเป็นของตนเอามาทำไมร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงอยู่แล้วนี้เอามาเลี้ยงมันอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่นี้แหละฉะนั้นอย่าไปคิดช่อโกงหลอกลวงจี้ปล้นเอาสมบัติปืนเอาเป็นของตนเลย ใช้ร่างกายนี่ตั้งแสวงหาเอาโดยลำพังตัวเองได้มามากน้อยเท่าใดก็บริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นนี่บุคคลผู้มีใจสงบตั้งมั่นลงไปแล้วจะมาสอนจิตมาให้โลภสอนจิตมาให้โกรธใครต่อใครจิตนี้ถ้าว่าไม่ไม่ใช่ปัญญาสอนแล้วมันจะไม่ยอมละเลยนะ ไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้นะมันจะยังพอใจกับความโกรธอันนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยพอมันพอใจเนะี่ยมันจึงยึดถือเอาไว้เมื่อใครมายั่วให้โกรธโกรธทันทีเลยนั่นแหละมันไม่มันมันหลงกลมายาของกิเลสนะนักป ร, รามีปัญญาทั้งหลายนะท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะ เมื่อท่านรู้ว่านี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิงหนอนี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ส่งเถริมความโกรธนี่เลยมีแต่ทวนกระแสจิตกําหนดละมันเลื่อยไปเลยสนะอนจิตนี้ให้เห็นโทษของความโกรธนี่ล่าไปความโกรธนี่แหละจะพาไปสู่นรกอัปปายาภูงก็ดีไม่ใช่อย่างอื่นใด้อย่างนั้นดันั้นเมื่อตอน ไม่อยากไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์ดิเรกชนันแล้วอยา่าโกรธอยา่าโกรธใครอดเอาทนเอามันจะเรินเมตตากรุณาให้มากๆเมื่อเจเริญเมตตากรุณาให้มากขึ้นไปแล้วความโกรธนี่มันก็เบาลงมันไม่ได้มากขึ้นแล้ว